Thank mm -hmm. you.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 ทำให้กายหนาวก็จริงแต่ว่าใจเนี่เป็นปกติก็ได้นะอย่าไปจะไปปล่อยให้ใจเราเนี่ยไปผูกติดหรือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมตะพึ่ตะพืตตะพอมันไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอากาศหนาวนะแต่ว่าใจอบอุน่นในทางตรงข้ามนะอากาศร้อนแต่ใจเย็นก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้นะแล้วควรทาด้วย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 อันนี้คือผลที่หงุดหงิดนะตอนที่เริ่มได้ยินเสียงบุรุษไปรสณียเรียกไม่อยากออกแต่ก็ต้องออกเพราะบุรุษไพรษณียก็ร อ, ออยู่นะแล้วก็จะล้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ออกมาก็ก็คงต้องทนฟังเสียงเพลงลูกทุ่งมืนะก็เลยออกมาดีกว่าออกมาเจอแดกก็รู้สึกหงุดหงิดยิ่งขึ้นพอรับจดหมายพัสดุจากบุรุษไปรสณีย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 ทำให้อยากจะยินดีทำให้อยากจะครุกจมอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่ไพเราะนะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะที่มันชวนให้ใจใหญ่จดจอเช่นโทรศัพท์มือถือ i ลน Facebook อะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสิ่งร่เรา ย, ยัยยวนรวมทั้งเกมออนไลน์นี่ แต่นอกจากสิ่งรอดเราย่อยยวแล้วบางทีก็มีสิ่งยั่วยยุนะสิ่งย่วยยุที่ทําให้ขุนเคืองหรือว่าโกรธหรืออถึงขั้นขับแค้ น, นเช่นอากาศร้อนรถติดนะไอ้พวกนี้ก็ทําให้หงุดหงิดหรือว่างานการที่มีอุปสรรคทํางานไปก็หัวเสียไปรวมทั้งคําพูดของผู้คน ซึ่งอาจจะเห็นทางเฟซบุ๊กหรือว่าโผลมาทางไลน์หรือว่าคําต่อว่าจากเพื่อนร่วมงานการกระทําของเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งยั่วยนะุนที่ทําให้ขุนโมวพอเจอทั้งสิ่งยั่วย้าวนะสิ่งยั่วยั่และสิ่งยั่วยุนี่แบบจิ๋มก็ไปเลยนะถ้าหากว่าอะไรที่มันทําให้ยินดีพอใจก็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 โกรธเคืองขับแคนไปคิดถึงเหตุการณ์ในนาค้ที่ยังไม่เกิดเสร็จแล้วก็เกิดความกังวลกระวนกระวายตั้งที่ไอ้เรื่องที่กระวนกระวายนี่มันยังไม่เกิดเลยนะก็ปรุงแต่งมโนไปกับมันซะละอันนี้เป็นเพราะใจมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมันก็มักจะลงเอยแบบนี้นะแต่พอเราพยายามพาใจกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวกลับมาอยู่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 แต่ก็ยังจดจอ่อเนี่ยนนเรียกว่าเพราะหลงอั น, นเรียกว่าเพราะลืมตัวให้ลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะแต่ไม่ถ้ามีสตินี่มันไอวงจรที่ว่าเนี่ยมันขาดไปเลยนะจดจอ่อทําให้เป็นทุกข์ทุกข์ก็เลยผักใสผักใสก็เลยจดจอ่อปักตรึงเนี่ยวัตจักรเนี่ยมันเป็นวัตจักรที่ซ้ําเติมตัวเราซ้ําเติมคน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 ก็เพ <unlucky. S 2> ียงแต่สักแต่ว่าเห็นเฉยๆนะแต่ว่าไม่เข้าไปเป็นนี่หลวงพ่อเขียนท่านเป็นคําสอนของท่านง่ายๆเข้าใจง่ายมีทุกขเวททุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายก็เห็นนะไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นคือไม่เข้าไปยึดติดแม้ว่ามันจะมีความทุกข์กายเกิดขึ้นแต่ว่าพอเห็นใจมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่มีไม่เกิดอาการยินร้ายขึ้นเอามันนะดูใจของเราเนี่ยนะในเวลาที่มันเกิดทุกขเวทนาขึ้น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 ก็ไปทำลายเนื้อเยื่อในร่างกายเพราะว่าในเนื้อเยื่อมันมีชื้อโลกซ่อนอยู่นะอันนี้เพราะมันเรียกว่ามัน overactive คือมัน active เกินไปจิตของเราเหมือนกันนะถ้ามัน active เกินไปเนี่ยมันเจอมันเจอสิ่งที่ทาให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นนี่แทนที่มันจะดูเฉยเฉยนะแค่นี้ก็ทาให้ใจในปกติมันก็เข้าไปหลมรันพันตูด้วย